ปฏิบัติธรรมโดยเพราะการบำเพ็ญทางจิตไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาไม่ว่าจะต้องการฝึกใจให้สงบหรือว่าเห็นความจริงของกายและใจตามที่เป็นไม่ว่าจะปฏิบัติแบบไหนมันก็ต้องเจอกับอุปสรรคอุปสรรคก็มีทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ จ, จะเป็นความไม่สะดวกความขัดข้องในเรื่องของปัจจัยสี่ เรื่องเสนาส น, นะเรื่องอาหารบินทบาตไม่พอจะรวมไปถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศความเจ็บความป่วยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหรือบ่อยๆก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณิวรณ์นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจประสาททางใจที่เกิดขึ้นมันก็หนีไม่พ้นจากนิวรณ์5้าใหแก่การมาฉันทะ กวามัฉันทะหือความพอใจหรือความอยากความคึนหาความระลึกถึงหรือความต้องการในสิ่งที่เอเรดอร่อยที่ให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเดินจงกรมก็เกิดนึกถึงอาหารนึกถึงหน้าคนรักหรือว่าอยากจะได้รับความสุดวกสบายอันนี้ก็จัดอยู่ในนิวรณ์ข้อแรกกามมัฉันทะ นี่สองพยาบาทนะพยาบาทก็อาจจะหมายถึงความพิลายหรือว่าความหงุดหงิดขัดเคืองใจก็ได้อาจจะหงุดหงิดเสียงที่มารบ ก, กวนหรือว่าหงุดหงิดราคาญตัวเองที่มันฟุ้งซ่านไม่หยุดไม่ย่อนความเครียดก็จัดอยู่ในตรงนี้ได้พยาบาทหรือปฏิฆะความขัดเคืองถีนมิทะความงงเอาหานอนมันง่วงมันซึมแล้วก็อาจจะพวมไปถึงเรื่องความเซ็งด้วยความเบือ่อ มันจะตรงข้ามกับสองข้อแรกสองข้อแรกปะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความกระตือรือร้นเกิดความพลุ่งพล่านแตี่ยแต่นิจจนมิทธานี่มันทําให้เกิดความเฉยขึ้นมาก็เป็นเั้นเยอะสำหรันักปฏิบัติกุฏจักกุฏจะหมายถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่พอมันร้อนใจด้วยหรืออาจจะหมายถึงความโกรนกรวายคอยวิตกกังวลไปพร้อมๆกันกุฏจักกุฏจั มันเป็นสองตัวที่มันสืบเนื่องกันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วเกิดความร้อนใจหรือว่ากระสับกระส่ายมีความพิจตกอกังวลอันนี้มันก็มักจะเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายคือความลังเลสงสยัยวิจิกิจฉามันไม่ใช่แค่ความสงสยัยธรรมยามันลังเลเดียก ว, ว่าการปฏิบัติที่ถูกไหมที่เราปฏิบัตินี้ถูกหรือเปล่าความรู้ตัวเป็นยังไงใช่ไหม เรามาปฏิบัติตอนนี้มันถูกเวลาหรือเปล่ารอให้มีอายุมากกว่านี้จะดีไหมมันก็เกิดความลงเลสงสัยขึ้นมาทําให้เราไม่สามารถที่จะอยู่กับการปฏิบัติหรือทุ่มเทกับการปฏิบัติได้ใจมันไม่เทลงไปกับการปฏิบัติมันขอ ย, ยั้งยั้งมันเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาอาการทางจิต ท, ที่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติก็ กล่าวโดยรวมๆก็หนีไม่พ้นนิวัณ5นิวรก็คือเครื่องขัดขวางความดีมันเป็นอาการของจิตที่ระยศจิตที่ไม่ยอมที่จะโน้มไปสู่การปฏิบัติหรือเพราะจิตของผู้ฝึกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติไม่คุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวไม่คุ้นเคยกับการที่ต้องมาเดินจงกรมสร้างจังหวะแทนที่จะไปทำงานแทนที่จะไปเที่ยวไปเสบ ต้องมานั่งอยู่แบบนี้ต้องมายืนต้องมาเดินไม่มีเรื่องอะไรให้จิตมันคิดมันฟุ้งมันปลูกมันแต่งมันก็พยศไม่มีอะไรให้จิตมันเสพเหมือนเคยมันก็พยศจิตนี่มันเสพมันติดหลายอย่างติดในกามบ้างหรือว่าติดในความคิดมันคิดมาตลอดมันมีเรื่องคิดอยู่เรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมาอยู่ในสิ่งว่ารล้อมหรือในชีวิตที่ไม่อนุญาตหรือไม่ส่งเสริมไม่เกิดการคิด หือจิตที่เคยเสพข่าวสารหนังสือพิมพ์วิทยุแล้วมันไม่ได้เสพมาอยู่แบบนี้ผัสสะมันน้อยผัสสะนี้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะเป็นอาหารของจิตจิตมันติดผัสสะมันอยากได้เสพผัสสะแสงสีพอมาอยู่แบบนี้มันไม่ได้เสพมันก็พยศมันดิน้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมเพื่อให้เราทนอยู่กับการปฏิบัติต่อไปไม่ได้ได้เลิกราสักที พูดง่ายคือมันมืนกับมารที่คอยมารังควานการปฏิบัติเวลาเราจะทําความดีนิวรเหล่านี้นะให้เราเราเรกว่ามันเป็นธรรมชาที่ต้องเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปพยายามที่จะกดข่มมันอย่าไปมองว่ามันเป็นศัตรูของการปฏิบัติจนกระทั่งจะอยู่ร่วมการปฏิบัติไม่ได้ถ้าเรายิ่งจะเข้าไปกดข่มมันไม่ให้มีนิวร์ มันก็ยิ่งพยศมันก็ยิ่งสู้แล้วเราเองก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าเมื่อกดแล้วมันไม่หายกําจัดแล้วมันยังโผล่อยู่เราจะเป็นทุกข์แล้วเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะหงุดหงิดเป็นทุกข์มีนิวรณ์ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นไม่ถูกไปกดไปข่มมันเอาไว้นะอันนั้นแหละคือปัญหานิวรณ์เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหานะแต่การไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกนั่นแหละคือปัญหา เป็นการไปกดข่มการไปจ้องไปเพ่งหรือการไปพยายามที่จะกําจัดมันออกไปโดยอํานาจของความอยากอันนี้ก็จัดว่าเป็นอัตตกิลมฐานุโยคอย่างหนึ่งนะพระอัตถคถาจารย์ท่านก็บอกว่าเนี่ยถึงแม้มันเป็นการปรุงแต่งฝ่ายดีปุญญาพิสังขารคือว่าเราต้องการทําให้จิตมันสงบแต่ว่ามันก็เป็นอัตตกิลมฐานุโยคแบบหนึ่งได้เหมือนกัน คือเป็นการทำความทุกข์ให้แก่ตนเองสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าให้เห็นให้ตามเห็นมันอยู่ไม่ใช่ดักก่อนที่มันจะเกิดแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วก็ให้ตามเห็นที่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตคืออันนี้แหละคือตามเห็นมันเกิดก็เห็นถ้ามันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปเฝ้าดูว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ใหม่ๆเนี่ยนะพอไปเห็นเข้า ตั้งใจว่าจะไปเห็นมันไปรู้มันก็ถูกมันดึงหรือว่าจิตก็ไหลเข้าไปมีความคิดเกิดขึ้นตั้งใจจะไปดูมันเห็นมันความคิดมันก็คืนจิตเราไปเลยมันดูดไปเลยนะมันมีแรงดึงดูดมากนะความคิดหรือว่านิวรณ์เนี่ยยิ่งอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยอารมณ์ความพยาบาทหรือว่าความวิตกกังวลร้อนใจรวมทั้งความง่วงอาหาหนอนเนี่ยมันก็ดูดเราไป สติเราไม่สามารถจะตั้งมั่นได้อยากจะเข้าไปห้ามความคิดแม้แต่อยากจะเข้าไปดูความคิดมันก็ดึงเข้าไปจนกระทั่งคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานากลายเป็นแนวร่วมของมันไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆบางทีจะไปตามเห็นมันก็ยากพิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องไปสนใจมันใหม่ๆยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิ้นแม้แต่ว่าจะแค่ตามเห็นมันก็ไม่ต้องคือให้เอากายเป็นหลักไว้ก่อน ให้รูกายตามรู้กายเป็นหลักไว้ก่อนมันคิดนึกอะไรขึ้นมาแลลึกได้ว่าเผลอไปเอากลับมาเอากายเป็นหลักไว้ก่อนต่อไปแล้วเนี่ยเมื่อสติเขาเชี่ยวชาญชํานาญคล่องเค ร, งคร่งว่องไวคนนี้ก็จะมีกําลังที่จะตั้งมั่นดูโดยที่ไม่ไหลเข้าไปหรือถูกมันกลืนมันดูดเข้าไปได้อีกวิธีหนึ่งที่อาจจะจําเป็นต้องใช้อยู่สําหรับผู้ฝึกใหม่หรือว่าแม้กระทั่งผู้ที อาจจะมีประสบการณ์แล้วเวลานิวรความรู้สึกนึกคิดมันเกิดขึ้นแรงมากเป็นพายุบางทีก็ต้องลบมันไปสัก่อนนะต้องหนีมันไปสะก่อนเช่นเปลี่ยนอิเดียะบทจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นนั่งถ้ามันทำมากๆก็ต้องเปลี่ยนอิเดียะบทต้องทํางานนะรบกวนมากๆบางทีก็ไม่ไหวครูบาจารย์บางท่านในการมาราคะมันกวนมาก น, ากนี่ไม่ไหวต้องหาอะไรทําให้เพลินเพลินไปสัก่อน อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการหลบหลีกมันไปชั่วคราวเพื่อที่จะกลับมาสู้ใหม่ถอยมาตั้งหลักอย่างเช่นเวลาเราง่วงเนี่ยจะไปดูมันจะไปเห็นมันไม่ไวหวแล้วก็ต้องหาอะไรทําที่ทําให้จิตใจเราตื่นขึ้นม า, าเช่นมองท้องฟ้ามองไปไกลๆมองไปที่โลง่งๆเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ใจมันก็เปิดกว้างมันก็กระชุ่มกระชวยขึ้นมาหรือบางทีก็ รูบเนื้อรูบตัวเอาน้ําล้างหน้าอาบน้ําเลยก็ยิ่งดีถ้ามันไม่ไหวสมัยปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็ต้องมีน้ําอยู่ถังหนึ่งนะใกล้ๆมันง่วงมาแล้วก็เอาน้ําล้างหน้าถ้ามันไม่ไหวจริงก็เอาหัวเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําไปเลยอันนี้ก็พระเจ้าก็แนะพระโมคคัลลานะหลายวิธีด้วยกันแม้ว่าตอนนั้นท่านก็เป็นโสดาบัลแล้วแต่ว่าบางทีไอ้พวกความง่วงนี่ท่านก็เอาไม่อยู่เป็นกันองค์ก็แนะหลายวิธี รูปเนื้อรูปตัวนะเอาอะไรยอนหูให้ตื่นหรือว่าทําในใจมันก็ว่ามันโลภมันสว่างสวัยเราอารมณ์กระสัญญาสว่างสวัยเป็นนิมิตขึ้นมาให้จิตมันตื่นถ้าไม่ไหวจริงนัง่ก็นอนเลยดีกว่าอันนี้กรณีสําหรับผู้ที่ง่วงนอนเพราะว่าร่างกายมันเพลียนะแต่ถ้าจิตมันเบื่อหน่ายนี่อย่าไปนอนนะถ้าไม่ได้เป็นเพราะร่างกายเหนื่อยเนี่ยเพียงแค่จิตมันเบือ่อจิตมันเบื่อมันก็ง่วง ถ้าเราอยอมตามมันมันก็ง่วงไม่เลิกสักทีเพราะมันรู้ว่าวิธีนี้ได้ผลก็เด็กเนี่ยเด็กถ้าร้องไห้แล้วแม่ให้อยากได้อะไรแล้วร้องไห้แล้วแม่ให้เนี่ยเด็กมันก็จะร้องอยู่เรื่อยเด็กรู้วิธีนี้ตั้งแต่4ี่หเดือนเด็กรู้ว่าถ้าร้องแล้วได้ทุกครั้งเด็กก็จะร้องอยู่เรื่อยๆจิตก็เหมือนกันถ้ามันรู้ว่าง่วงแล้วได้นอนเนี่ยมันก็ง่วงอยู่เรื่อยๆก็เป็นนั้นว่ารู้ดจากความง่วงไม่ได้สักทีอันนี้เราก็ต้องรู้จักฉลาดในการ แก่อารมณ์ของตัวบางทีจิตมันเพ่งเครียดเพราะจิตเพ่งเข้าในมันเพ่งเป็นอาทิตย์อาทิตย์จนกระทั่งแกะไม่ออกอย่างตมาเคยปฏิบัติแค่ยกมือสร้างจังหวะแค่สองาครั้งก็นั่นแหละมันตึงเครียดทันทีเลยแต่ว่าก็ยังเบาวกับที่เคยพูดถึงลูกศิษย์ของพ่อคนหนึ่งที่เรียกว่ามือค้างเลยมือค้างเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าจิตมันเพ่งมาจิตมันคิดจะเอาจิตมันคิดจะได้มันจ้องมันเพ่งอยู่ะทั่ง ร่างกายเสียระบบหมดแต่พอชวนคุยออกไปนอกตัวออกพูดไปเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานมันวางเองเลยมันปล่อยเองเลยแต่ว่าลำพังบางทีตัวเองเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยแก้ไม่ได้ต้องมีนคนมาช่วยแต่ถ้ามันจะไม่ไม่หนักหนาเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีหาวิธีแงะหรือแกะจิตออกจากการเพ่งเช่นพยายามมองไปข้างนอกไกล ให้มันถ่วงดุลกันนะวิธีนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์แนะแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องมีวิธีการของตัวเองอย่าไปยึดกับรูปแบบวิธีการที่เป็นสูตรสาเร็จรูปเพราะว่าปัญหาใครก็ปัญหามันนะคือต้องแก้ด้วยตัวเองและของบางอย่างเนี่ยถ้าเราฉลาดเนี่ยก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ได้พวกนิวรณ์มันไม่ใช่แย่มันมีก็ดีนะ อย่าไปมองว่ามันเป็นตัวปัญหานิวรณนี่ถ้าจะให้เป็นก็ดีอย่างน้อยการที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้จิตของเราเนี่ยจำมันได้ดีขึ้นสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือจําได้จําสภาวะได้นีอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติมันจะทําหน้าที่2องอย่างหนึ่งคือระลึกได้จําได้2คือตามรู้ตามเห็นเมื่อตามเห็นเห็นแล้วมันก็ถอนออกมาได้ จากความพอใจความไม่พอใจอย mm ่างที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้แต่ส่วนคือความเราลึกได้เราลึกถึงธรรมเราลึกถึงพระรัตนัสไพรเราก็เรียกพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราลึกถึงเทวดาอนุพายของเทวดาก็เรียกเทวดานุสติเราลึกถึงความตายชื่อเกิดขึ้นกันเราเราก็เรียกมรณะสติเราลึกในสิ่งที่มันเป็นอกุศลทําให้จิตเศร้าหมองก็เรียกว่ามิจฉาสติ นสติมันจะทําหน้าที่2 อ, อย่างใหญ่ๆคือระลึกได้จําได้กับความตาม mm. เห็นเรียกว่ากํากับจิตให้อยู่ในอารมณ์อยู mm. ่กับอารมณ์อารมณ์ในที่หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นฐานในการปฏิบัติอันนี้การเกิดนิวรณ์ม่อยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนี่ก็ดีเหมือนกันก็ทําให้เกิดความจําได้ต่อไปมันเกิดขึ้นอีกเราก็จะจําได้ไวขึ้นแต่ก่อนมันเกิดขึ้นจําไม่ได้มันก็เลยเร่งงานเราจนงอมพอมันเกิดบ่อยๆบ่อยๆเราก็จําได้ ความคิดก็เหมือนกันจะมีสติได้นี่ก็ต้องอาศัยมีความคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆที่หลวงพ่อเทียนท่านไม่แนะนำให้หลับตาให้เปิดตาแล้วก็เพื่อนไหวไปมาเพื่อให้ความคิดมันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อให้มันเกิดขึ้นแรงๆเกิดขึ้นพอที่จะให้สติเนี่ยมีเครื่องซ้อมคือเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆจนทางสติมันจาได้ว่าอ๋อเนี่ยคือความคิดฟุ้งซ่านท่านไม่เน้นให้ปฏิบัติชนิดที่ทาให้เกิดความสงบ พอถ้สงบแล้วมันติดพอมันติดแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงกคือว่าสติมันเติบโตช้าเพราะมันไม่มีเครื่องฝึกสติจะเติบโตได้ก็อาศัยการฝึกจากความรู้สึกนึกคิดนี่แหละที่เพลิดิดเพลิดิดเพลิดเพลเสร็จแล้วก็จําทีแรกก็พาธาเสียทีต่อไปก็จะชำนิชำนาญเหมือนกับนักมวยที่ขึ้นสนามหรือว่าซ้อมใหม่ๆเนี่ยมันก็โดนคู่ซ้อมเล่นงานอยู่เรื่อยๆแต่ต่อไปต่อไปนักมวยก็จะมีความชํานาญ จนกัะทั้งสามารถที่จะเล่นง่ายคู่ซ้อมได้นั่นถ้าเกิดติดอยู่ความสงบไม่มีความคิดเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับสติมไม่มีคู่ซ้อมมันก็อ่อนแอเหมือนกับ น, นักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านมันเลยก็จะไม่มีทางที่จะฉลาดได้นักเรียนต้องเจอการบ้านทั้งง่ายและยากเจอง่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเจอยากเดือนจะได้ํานานจะได้เชี่ยวชาญ ต้องทำบ่อยๆกบ้างทํานทบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยความเชี่ยวชาญก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกเป็นเครื่องรับสมองสติก็ต้องมีเครื่องฝึกก็คือความรสึกนึกคิดนี่แหละหลวงพ่อเทียนท่านแนะนำกระทั่งว่าเวลาทําไปแล้วเนี่ยความคิดมันไม่ออกมาความคิดไม่ออกมันเลยเนี่ยนะท่านก็แนะให้เร่งเดินให้เร็วตร้างจังหวะให้เร็วเพื่อกระตุ้นให้ความคิดมันออกมาจิตจะได้มีคู่ซ้อม มันเหมือนกับภูมิต้านทานในร่างกายที่ต้องฉีดวัคซีนเข้าไปเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาวัคซีนก็คือเชื้อโรคนั่นแหละเชื้อโรคที่อ่อนๆ อ, อ, อยู่มันเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จําได้ว่าอ๋อนี่คือเชื้อโรคแล้วก็รู้วิธีจัดการกับมันได้เชื้อโรคมัน อ, อ่อนภูมิต้านทานก็กินมันได้กินมันก็จําได้ว่าอ๋อมันมาแบบนี้ต่อไปตัวใหม่มาโรคชนิดเดิมมาหรือแม้จะแข็งแรงแค่ไหน ภูมิต้านทานก็จำได้แล้วก็สามารถจะกินกลืนมันจนหมดได้ก็ทำให้ไม่เป็นโรค ก, การที่เกิดนิวรอนขึ้นเนี่ยนะให้ถือว่าเป็นของดีอย่างน้อยเพียงแค่เห็นมันอยู่เรื่อยๆนี้ก็สติเราก็จะชำนานและปัญญาเราก็จะเกิดเมื่อเราเห็นสภาพเห็นสภาวะของมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่เรามันก็เป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นกับใจอาศัยจิตเป็นที่เกิดมันไม่ใช่ตัวเราตอนที่ไม่มีสติก็ไปเพิอเกี่ยวมันเป็นเราเป็นเราอยู่เรื่อยเลยเป็นเราที่โกรธเป็นเราที่เครียดเป็นเราที่ปวดนะต่อไปมันไม่ใช่เพราะการเห็นอยู่เรื่อยๆปัญญาก็เกิดในลำดับนี้ในแนวทางนี้ถ้าเราชำนาญล้วก็สามารถจะใช้นิวรเนี่ยไปในทางอื่นได้ในทางที่เพิ่มกุศลธรรมให้เกิดมีขึ้น มันไม่ใช่ว่าแย่สุดทีเดียวหลวงพ่อพุธ ท, ท่านเคยเล่าว่ามีพระที่พึ่งบวชแล้วก็มาปฏิบัติท่านก็สอนให้บริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าคนนี้เนี่ยเวลาบริกรรมทีไรเนี่ยใหม่ๆก็พุทโธพุทโธนะแต่เผอไปสักพักก็ไปบริกรรมชื่อแฟนนึกถึงชื่อแฟนโผมาโผมาโผม า, มาก็รู้สึกเสียใจว่าทำไม เป็นอย่างนี้นะทําไมทิ้งพระพุทธเจ้าไปมาเอาชื่อแฟนเป็นสารณะเปรียดไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอันก็ไม่ต้องพุโทโธแล้วกันเอาชื่อแฟนนะั่นแหละมาบริกรรมซะเลยหายใจเข้าหายใจออกก็นึกถึงชื่อแฟนปรากฏว่าได้ผลนะจิตเป็นสมาธิเลยแล้วพอจิตเป็นสมาธิแล้วนี่เห็นหน้าแฟนโผล่ขึ้นมานี่มันทําอะไรไม่ได้เลยมีหําสําหน้าแฟนนี่ก็ค่อยเสริมสภาพเหมือนกับเป็นอสุภะไปเลยก็มี ตัวการมราคะเนี่ยนะมันถ้าใช้ให้เป็นนะมันก็มีประโยชน์ในความอยากเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ของทุกอย่างมันดีทั้งนั้นถ้ารู้จักใช้หรือมองให้เป็นในสารพุทธกาลก็มีนะเรื่องของพันนันทะพนันทานี่ก็จะแต่งงานตอนนั้นเป็นคารวาะกําลังแต่งงานกับนางชนบทกัลยาณีซึ่งถือว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งก้ น, นิมมนพุทธเจ้าซึ่งเป็นญาติ เป็นลูกพี่ลูกน้องนะมารับบาตเมื่อบิณฑบาสายบาศิกพระพุทธเจ้าก็ขอให้พนันทานเนี่ยนะตอนนั้นพระเจ้าชายนะเดินตามไปด้วยเดินถือบาตไปส่งถึงวัดนันทาก็ตามไปคิดว่าส่งพระพุทธเจ้าถึงวัดแล้วก็จะได้กลับหาแฟนของตัวปรากฏว่าพรุทธเจ้าชวนบวชเลยนันทาก็เกลงใจก็รับปากตัดสินใจบวช ตอนที่บวชนั้นเนี่ยก็กระสับกระส่ายนึกถึงแฟนนึกถึงนางชนบทคู่รักของตัวพระพุทธองค์ก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยทำให้พนันธาเนีเห็นนางอับสรเทวดาในสวรรค์เยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเป็นนิมิตเห็นนางอับสรสวยงามมากสวยงามกว่านางชนบทกัลยาณีซี<ม>ก็เกิดติดใจขึ้นมาก็เลยลายความคิดถึงคู่รักของตัว แล้วก็ถามว่าเราจะได้นางอักษรนี่ได้อย่างไรเกิดการมาลาคาขึ้นมาเกิดความต้องการในทางการเกิดตันหาขึ้นมาผู้เจ้าพอก็ปฏิบัติมาบำเพ็ญกรรมฐานแล้วเดี๋ยวก็จะได้จะได้ที่จริงกว่านี้ก็ได้ปนันทาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะหวังจะได้นางอักษรเทวดาอันนี้ทํำด้วยตันหาแท้แต่ว่าก็มาเกิดเรื่องเพราะว่าผู้เพื่อนล้อพเพื่อนพาวด้วยการล้อว่า มาปฏิบัติแบบรับจ้างปฏิบัติกรรมฐานแบบรับจ้าง mm hmm. ก็เกิดความอับอายนะีอันนี้มารนาเกิดขึ้นแล้วนะมานาเกิดขึ้นเกิดความอับอายขึ้นมาว่าถูกตํำหนิ mm hmm. ก็เป็นกิเลสอย่างนี้ไงไอ้ไตัวมารนาเนี่ยนะแต่ว่าเมื่ออับอายก็เลยหลบไปดี้นเตินอยู่คนเดียวปฏิบัติอันนี้ตั้งนานจ่าปฏิบัติอย่างให้ไปเรื่องเป็นลาแนละ้วตอนนั้นเองที่การมาราคาก็ค่อยๆคลายไปเรื่องความรักความห่วงหาอะไรก็ค่อยๆคลายไป และบอกว่าในสุดก็สามารถที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาจนบรรลุธรรมได้อันนี้ก็เรียกว่าบรรลุธรรมได้ก็เพราะมีตัณหาเป็นที่มาซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็เป็นวิธีการที่ทางพระเราเรียกว่าในตัณหาและตัณหาหรือใช้มาณะละ ม, มาณนอกจากกามแล้วเนี่ยแม้กระทั่งความหงุดหงิดขัดเคืองใจนะมันก็มาใช้ได้นะอันนี้ก็มีพระท่านเล่า เาตอนที่ท่านเป็นเนนอยู่ในสำนักของหลวงพ่อชาวัานอบประพง์นี้ก็จะมีธรรมเนียมเวลาวันพระเนี่ยก็จะไม่มีการนอนความเป็นชาคริยานุโยกนยีในสัจ ช, ชิตตั้งแต่ทําวัดเย็นไปจนถึงทําวัดเช้านั่งภาวนาในระหว่างนั้นก็จะมีการแสดงธรรมถ้ามีคราวหนึ่งหลวงพ่อชาท่านก็แสดงธรรมแสดงธรรมยาวเหยี่ยไรนะก็จะประมาณตั้งแต่เที่ยงคืน จนถึงตีสามสามบรรเนี่ยนั่งฟังด้วยความเบื่อหน่ายมากและด้วยความหงุดหงิดในใจนี่ก็นึกแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกพูดออกมาเป็นคําภาษาอีสานว่าสาซะสาวซะาวซะใจมันหงุดหงิดขึ้นมาสั่งในใจว่าขอให้เลิกสักทีเลิกสักทีสาวซะสาวซะไอ้ alsa, salsa, salsa คำที่มันพูดขึ้นมาอยู่นานเลยจนกระทั่งเกิดสติขึ้นมาได้ว่าโอ๊ย ทำไมเราถึงคิดแบบนั้นทำไมเราไม่แทนที่จะปรารถนาให้หลวงพ่อชาท่านเลิกแสดงธรรมเราเองตัางหาที่น่าจะเลิกบ่นนะเราเองตัางหาที่น่าจะเลิกเบื่อหน่ายเราเองตัางหาที่น่าจะเลิกเกิดความอยากที่จะอยู่ในสังสารวัฏนี้ทำไมเราถึงไม่ไม่เลิกกิเลสไม่เลิกตัณหาสักทีเพราะได้สติขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจิตตั้งจิตใหม่ว่าเอองั้น มาตั้งจิตให้มาบำเพ็ญสมาธิดีกว่าแทนที่จะเอาแต่บนเอาแต่บนใจเป็นทุกข์มานั่งสมาธิดีกว่าก็สมาธินั่งยังไงก็ เ, เอาคํานี่แหละสาวซาสาวซาเนี่ยมาเป็นตัวบริกรรมบอกว่าจิตสงบเลยนะจิตสงบตั้งแต่ตีสามนะจนกระทั่งสิบโมงเชา้าคนเขาไปบินธบาษฐ์กหมดแล้วฉันก็หมดลวเนก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจนคนต้องมาทัก สิบโมงชาเนถึงรู้สึกตัวถึงรู้ว่าโอ้ผ่านไปตั้งเจปชั่วโมงไอ้ตัวปฏิกขาตัวความหงุดหงิดเนี่ยนะมันเองก็มีพลังในการทําให้เกิดสมาธิได้ถ้าเราใช้ใเป็นนี่มันก็มีประโยชน์ดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยอย่าไปมองไอ้นิวรเหล่านี้เนี่ยว่ามันเสียเฉดเสียทั้งหมดถ้ามองด้วยใจที่เป็นกลางได้ก็ดีคือมองเป็นธรรมดาเป็นธรรมด า, รรมดาไม่มีความ หังเกตที่จะกดข่มให้มันหายเพราะว่าการเจริญสติคือการมองด้วยใจที่เป็นกลางถ้าเรายังยังวางใจเป็นกลางไม่ได้ก็ลองมองให้มันเป็นบวกได้ไหมเอามาใช้มันให้เป็นประโยชน์ว่าของเหล่านี้เนี่ยของทุกอย่างมันมีดีทั้งนั้นถ้ารู้จักใช้หรือว่ารู้จักมองให้เป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สําคัญทั้งค่ว่าเราใช้มันอย่างไรเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรความทุกข์มันก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าหาว่าเราใช้มันให้เป็นนิวรณ์หรือกิเลสมันก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นเพียงแค่ใช้เป็นอารมณ์ในการตามรู้ตามเห็นเพื่อเกิดสติเจริญงอกงามขึ้นก็เป็นประโยชน์ความรักสบายนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งกันถ้าใช้ให้เป็นในสายพุทธการมีอาจารจกเห็นใจคนหนึ่งนะยากจนมากนะต้องไปรับจ้างก็ทํางานเสร็จแล้วตอนหลังรู้สวเออการเป็นพระนี่ ก็สบายนะส่วนหนึ่งก็จะมีศรัทธาในการบวช ด, ด้วยแต่เมื่อมาบวชแล้วก็ยังคิดว่าคงบวชไม่นานเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังเก็บไว้ก็เก็บแล้วก็ซุกไว้นะในป่าอันนี้เมื่อมาบวชแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าศรัทธายังอ่อนอยู่ก็เกิดความเบื่อหน่ายในการบวชคนอยู่กับตัวเองไม่ไหวหรือว่าอาจจะเพราะข้อวัดมีเยอะก็คิดจะสึกเวลาแกคิดจะสึกเนี่ยทำไง จะเดินเข้าไปในป่าไปพิจารณาไอ้เสื้อผ้าที่ตัวเองเคยสวมใส่ตอนเป็นคฤือหักพอเห็นเสื้อผ้าเหล่านี้ก็นึกถึงความยากลาบากว่าโอ้ยตอนเป็นคฤือหัดเป็นคารว่านี่มันลําบากแท้สู้เป็นพระไม่ได้ไอ้ความคิดจะสื้อมันก็ฟอลงไปเลยก็กลับไปใหม่พอเบื่อพอจะที่จะสื้อก็เข้าไปในป่าทำย่างี้อยู่หลายครั้งจนคนถามว่าไปทําอะไรแกก็บอกว่าไปหาอาจารย์ ให้เสื้อผ้ามอมสสเนี่แหละคืออาจารย์ของแกแล้วปรากว่าทานี้อยู่พักอย่าจงกทั่งจิตก็ค่อยตั้งมั่นเกิดมีศรัทธานในการปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติก็ให้ผลจิตมั่นคงนะอยู่บนทางสายกลางนะได้พบกับความสุขได้พบกับความสงบก็เกิดฉันทาวิริยะในการปฏิบัตินะจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาหลุดพ้นเป็นพระอรหรันต์ ตอหนหลังนักคนก็มาเท้าเดี๋ยวนี้ไม่ไปหาพระอาจารย์เลยไม่ไปหาอาจารย์ก็บอกไม่ต้องการอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนพระก็เลยหาว่าท่านอวดอุตริมุสธรรมก็เลยไปทูลพระเจ้าพระเจ้าก็เลยอธิบายว่าที่จริงท่านหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นเพราะมีอาจารย์เดีคือเสื้อผ้ามอศที่มันเตือนใจให้เราลึกถึงความทุกข์ยากไอ้ใจที่เราลึกถึงความทุกข์ยากนี่ก็สตินะเป็นสติที่ไม่ใช่แค่สติล้วน แต่ว่ามันปรุงแต่งให้เกิดความเข็ดขยาดในการที่จะกลับไปเป็นคารวาสเพราะว่ามันลำบากเป็นพาสบายกว่าเยอะอันนี้ก็เป็นตันหาความรักสบายความขี้เกียจก็เป็นตันหาอย่างหนึ่งแต่ว่าตันหานี้ท่านก็เอามาใช้ด้วยให้ดารงคงมั่นในภพมจันได้จนกระทั่งได้พบอนิสงส์ของการปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะนั้นก็ให้เราตระหนักว่า ในวอรหรือว่าอารมณ์ต่างๆแม้จะเป็นอกุศลเนี่ยนะเฉ่นความรักสบายการมราคะความเบื่อหน่ายความเซ็งความหงุดหงิดลำคาญใจนะถ้าเราฉลาดใช้นี่นะมันก็พาไปสู่กุศลได้พาไปสู่ปัญญาได้และของเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ละคนก็ต้องมีวิธีการของตัวเองการบริกรรมชื่อแฟนก็อาจจะใช้ได้กับบางคนนะบางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่า ถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราพิจารณามันก็จะค่อยรู้รู้ใจเรานะรู้อินทรีย์ของเราแล้วก็สามารถที่จะกำกับหรือว่าทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกับอินทรีย์ของเราหรือกิเลส ข, ของเราและเป็นการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้